ออกนั่งเรียบร้อยนั่งทานสบายแนนก็เรียบร้อยนันคนวัดคนวัดก็คือคนที่หนึ่งคนที่อยู่ในวัดอยู่แล้วเรียกว่าคนวัดคนที่สองเออคนเข้าวัด เนี่ยคือคนวัดคนที่อยู่ในวัดเหตใจมันไม่ได้อยู่ในวัดมันอยู่ทั้งกายท้งวาจาท้งใจมันไม่อยู่ในวัดก็เรียกว่าตัวเองว่าเป็นคนวัด mm hmm. ในาเะี่กันคนเข้าวัดเข้าใจว่าตัวเองเข้าวัดอ mm hmm. ือ็เข้าออก อ, อกืม mm hmm. แต่ทสองคำสองคำคนกับพระเนี่มันต่างกันตรงไหนเวลาเป็นข่าวเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันทุกวี่ทุกวันป่านนี้นนยังไม่จบข่าวพระเป็นเดือนเดือนแล้วถาม่าพระกับคนมันต่างกันตรงไห น, นมันต่างกันด้ยผ้าเหลือง ก็ต่างกันที่หัวล้นๆทางนั้นเราเอาคนโคนหัวแล้วก็เอาผอเหลืองมว่าหมจะเรียกพระไหมนนันก็เพราะว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่เข้าใจคนเขาพยายามทำตัวให้เป็นพระทุกวันมันเริ่มเป็นละในขณะเดียวกันพระเองก็จะทำตัวให้เป็นคน เห็นไม่ความสับสนโดยไม่ค่อยใจว่าคนกับพระจะจะจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงคนก็คือคนที่ไม่พัฒนาพระคือหรือคนวัดคือคนที่พัฒนามี่เริ่มต้นจากการพัฒนาก็ต่างก็ชื่อว่าการพัฒนาท่าว เราอยางนึกไม่ออกว่านึกถึงขวานคนกับพระก็คือขวานคนที่พัฒนาก็คนที่ฝึกฝนตนเองอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับพระถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้ ทำไมถึงเป็นเหมือนขวานก็เพราะว่าขวานเนี่ยนมนี่คมมันเกิดจากอะไรถ้าฟันไปนานใช้ไปนานเป็นยังไงขวานเออจะทำยังไงถึงจะให้มันคมเออหนานเนี่ยคนทาไมมาเอามาใช้บ้าง ถ้าคนอยากจะใช้มีปัญญาสติปัญญามันต้องฝึกมันต้องฝนให้มันแหลมให้มันคมถ้ามันไม่ฝนมันไม่รับมันก็ทื่อยอย่างใช้ไปนานๆนี่คือลักษณะของคนกับพระมันต้องฝึกมันต้องฝนอยู่ตลอดเวลามันจะคมมันจะมีสติปัญญาถ้าอยู่ไปวันๆทั้งคนทั้งพระ ไม่รู้ต่างๆตรงไหนครูพระก็ใช้ชีวิตหอยู่มันก็คนทั่วไปเขาใช้ชีวิตยังไงขเขาแปลว่าเขามีอะไรก็อยากจะมีบ้างเขาทาอะไรก็อยากจะมีบ้างเหมือนคนเหมือนมนุษย์ทั่วไปไเขาด ย, ยกระดับตัวเองในคนไฟพระก็เช่นเดียวกันยกระดับแล้วปฏิญาณตนแล้วว่าข้าพเจ้าขอถึงคุณพระเจ้าประทานประสงค์ ว่าเป็นสารณะแต่ในทางปฏิบตัติการเข้าถึงพระรัตนตราจะต้องทำอย่างไรจะเข้าถึงหรือยังที่ปฏิญาณตนมากี่สิบปีแลวกี่สิบปีแล้ ว, ก, ลวก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้น ศา ส, สนาของเราจึงบัญญัติเอาไว้ว่าทั้งหมดนี่จะบอกว่าเป็นคนดีคนไมรหรือพระพูดยังไงพระดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ธรรมทุกวันเราไปมุ่งไปที่ธรรมคือธรรมะพระที่ดีไม่ดีมันวัดกันที่ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้น ไม่ได้แปไม่ทรงส่งให้มีให้มีธรรมคนละเรื่องสินนี้เป็นตัวชีวัดบอกว่าสินเล็กน้อยไอซืดประจำมันโดยทั่วไปเรียวบทบัญยัติเรียกสินเล็กน้อยสินขนาดกลางสินขนาดใหญ่ภาษาพระภาษาวินยัยท่านะเรียกว่าจุลสินมัชฌิมสิน มหาสินแลสินใหญ่อันนี้เป็นตัววัดทั้งพระทั้งคนเอา น, นี่ยเป็นตัววัดตับวบงบอกและจองกันข้ามถ้าเราไม่เอาตามสินเล็กสินน้อยสินกลางสินใหญ่ผลของมันเป็นอย่างนี้ที่เ ห, เห็นกันอยู่นะตอนนี้ที่เด๋ยวร้อนวุ่นวายกับพราะอันนี้ เพราะมันปฏิบัติตามไม่คิดว่ามันจาเป็นสินเล็กน้อยเราก็ไปคิดว่าเออมันเล็กน้อยมันมีอะไรไม่ขีดก้านเดียว ม, มีอะไรยังมันไม่สแสดงผลของมันไม่ขีดก้านเดียวยังไม่จะเป็นของมันอุจฉะก้อนเดียวไม่เป็นไรมั้งกรามาตั้งในสารานก้อนเดียว ไม่เป็นไรหรอกงูพิษเราไปตรงตรงนันนะมาตั้งโยนเข้าไปในศาลาวงแตกไหมทางท่าที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะรู้ตัว่าเป็นงูพิษวงแตกแล้วเพราะเราไม่ได้มองไม่ใช้สติปัญญามันก็เลยเฉยๆทั้งคนต่างชาตก็ได้เป็นกันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นพ่อพูดเสมอว่าสิ่งคือทํา มีคนวิจารณ์ไอ้เล่าไห้ฟังก่อนว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อศรีนวนะพูดไม่รู้เรื่องมั่นจริงหรือเปล่าวะเขาบอกหลวงพ่อศรีนวนะพูดไม่รู้เรื่องสองหลวพ่อศรีนวในดุนี่เราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเราพูดไม่รู้เรื่องตงัวไหนวะ พูดไม่รู้เรื่องหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องมันต้องแยกให้ออ ก, กเราก็าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องถ้าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เออโทษคนพูดนึถ้าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยโทษใครอมืมันต้องแยกต้องต้องคิดให้เป็นธรรมเดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่ า, วาทิ่พูดอยู่ทุกวันะ สอนอยู่ทุกวันสอนให้จำทำให้ดูรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเอะไรพูดให้จำจำอะไรได้บ้างอันนี้ต้องทอดคนพูดไหมหมอบอกพูดพูดให้จำจำอะไรได้บ้าง ทำให้ดูที่ทำให้ดูทุอวันเน่เคยดูบ้างไหมอะไรที่ท่านคนพูดไว้ตรงนี้ตัวโทษหลวงพ่าสีนวนไหมพูดให้จำทำให้ดู่ไปเอาไปคิดไม่นำไประสู่การปฏิบัติสรุปตอนนี้คือพูดให้จำจะให้จำอะไรคำถามต่อไปคือจะให้จำอะไรทำให้ดูเอาแล้วหลวงพ่อทำอะไร ก็จะเป็นคําถามอยู่นีน้แต่ถ้าเราโอปัตยโกเหิอนนอ้อมพูดให้จําแล้วจําอะไรได้บ้างทําให้ดูทําอะไรได้บ้างคู่บาอาจารย์ตั้งแต่ต้นมาเปนน็นต้นลักษณะสองนี้นคือพูดให้จําแล้วก็ทําให้ดูแต่ว่าทําให้ดูผลมันน้อยแทบไม่เห็นผลเพมไม่ดูไม่ดูคือไม่นําสู่การปฏิบัติเหมือนทุกวันเนี้น โดยภาพรวมนี่โดยภาพรวมนะมันได้แปลมันไม่เกิดขึ้นเลยนะมาเรารู้ว่านนเดียวปัญหานี่คือปัญหานี่คือโครงสร้างเราก็ต้องแก้ปัญหาแก้โครงสร้างอันนี้ถามว่าแก้หรือยงังแต่หลวงพ่อบอกว่ามีดมันมัน ม, มันไม่คมนะจะต้องพอหลวงพอมันมัคนต้องไปทำยังไงต้องเอาไปฝน การฝนของคนของนุนของพระคืออะไรทั้งฝึกและฝนก็เคยเอาไปฝนไหม <c oughs> ไม่ฝนมันจะไปคมได้ยังไงมันก็ทออื่อยอย่างนี้นละมันไม่ต่างอะไรกับสันขวา น, นอ่ะทีนี้นั่นหมายถึงเรียกว่าคนเรียกว่าคนเขาเรียกว่าขวานไปแล้ไม่ถามขวานมันคมหรือไม่คมที่มันคมเพราะอะไรที่มันไม่คมเพราะอะไร มันดังขนด้วยกันมันคมก็ดีมันไม่คมมันก็มันทื่อก็เรียกเอาทื่อๆอยู่นี้ถ้ามันไม่ใช้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนคน่ะต่อให้มีสติปัญญาล้ำเลิศแต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นประโยชน์อ่ะมีอิดขอนกับือนกันตรงอาคารที่ใช้ให้เกิดโทษอย่างนมันมีทั้งคุณและโทษ พอเวลาคิดตั้งสองอย่างตั้งสองมุมเหมือนคนนะพอพูดถึงบุคคลนะคนดีหรือคนไม่ดีมันต้องคิดต่ออย่าไปคิดว่าเออคนแล้วก็จบพระแล้วก็จบแล้วเป็นพระจริงหรือเปล่าหากมีท่านดีแล้วก็ไม่ดีก็ต้องแยกอย่างนี้ทันทีเลยถ้ามีอะไรไม่ดีมาอ่อนพระไม่ดีส่วนพาะปกติถ้าคิดอย่างงี้มันจะปกติ คนปกติคิดอย่างนี้คนไม่ปกติอะที่คิดไปที่เป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ปกติคือใจมันไม่ปกติจิตไม่ปกติสมองไม่ปกติมาถึงได้เป็นอย่างนี้นัทราโอไตรโกน้อมก็หาทุกอย่างว่าเออมันเหตุและผลมันมีของมันอยู่และที่สําคัญอย่าลืมความจริงที่พ่พูดอยู่เสมอเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งรู้เหตุ รู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การคือเวลารู้สถานที่ว่าจะอยู่ยังไงกับสิ่งเหล่านี้อันนี้คือความหมายคนเนี้รู้เหตุเหตุที่ไปที่มาเป็นอย่างไงเหตุมันมีเหตุมันจึงมีผลผลมาจึงเป็นอย่างนี้กนะารถ้าเราไม่โอเบนาโยโกก็จะเป็นอย่าง บางทีก็โอ้มันเบื่อที่จะคุยอยากจะฟังคนอื่นคุยมากถ้าเป็นไม่ได้นะแต่จะนั่งฟังเพราะโดยปกติโด ย, โดยธรรมชาติตั้งแต่เล็กจนโตมาน่ะเพิ่งมาคุยเยอะมาตอนรับผิดชอบเป็นแล้วเมื่อก่อนเป็นคนไม่พูดไม่คุยวันหนึ่งแค่ไม่ได้ยินคำพูดเนะี่ยเพราะจะนั้นเป็นคนที่รับรู้เยอะมากคือฟังเราเป็นผู้ฟังที่ดีไหม ผู้ฟังที่ดีควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีมันมันน่าจะดีกว่านี้ในชีวิตเราฟังที่ดีนะฟังแล้วคิดดีนะไม่ใช่ฟังแล้วคิดไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ฟังดีๆสุดสัสังและปฏิปันยางฟังด้วยดีเย่ยมให้ปัญญาเห็นไหมมันลงได้ที่ปัญญาไม่ใช่ว่าฟังดีเยี่ยมได้สัญญากับเปรียบทียไปฟังอยู่เสมอ ระวังระวังสัญญาคือความจำได้หมายรู้กับปัญญาสิ่งไหนเราจะควรจะให้มันเพิ่มเรากลับไปเพิ่มสัญญาสะสมสัญญาคือความจำได้หมายรู้นียเราไม่ได้เพิ่มปัญญาสัญญาคือตัวมัด คือเชือกยิ่งฟังเท่าไหรยิ่งรู้เท่าไรมันยิ่งมัดตัวเองแก้ไม่หลุดดิ้นไม่หลุดแต่ตัวปัญญาคือตัวแก้มีแต่มัดอย่างเดียวไม่เคยแก้คือเพิ่มเชือ่อสุดท้ายสัญญาคือเชื่อนี่แหละมันเป็นเครื่องพันธนาการมัดตัวเองจนดิ้นไม่หลุด ภาพโลนทุกวันมันเป็นอย่างนี้ไม่เวเป็นพระหรือเป็นคนมันเป็นลักษณะอย่างนี้ทําไมบอกว่าแต่และคนเนี่ยสัจจันด็อกเตอร์นะแม้แต่พระที่เป็นปัญหาไม่ใช่ธรรมดาเนาะไม่ใช่พระขี้ไก่ที่หมูขี้หมาเลยรเนาะแล้วทําไมเป็นอย่างนี้กบพระวสัญญาไงไปคิดว่าตัวเองเรียนรู้เยอะฉลาดเยอะเป็นวัดยอด ทั้งความรู้และวิชาการก็เป็นโมหะครอบงาหลงอันนี้พูดให้จำทำให้ดูไม่เคยทำจึงไปรู้ที่เรียนที่มาที่เป็นสัญญาไม่เคยนาสู่การปฏิบัติแล้วจึงไปโทษคำสอนนั่นมันไม่ดีไม่ได้ไปโทษพระพุทธเจ้าประาประสองไม่ได้เพราะมันไม่นาสู่การปฏิบัติภาพรวมบบมันตองเป็นอย่างนี้ เป็นไหมแต่ที่สําคัญก็คือสติปัญญาดีคือมีดมันคมและเที่ยวไปฟันคนอื่นเขาอ่ะเที่ยวไปฟาดไปฟันคนอื่นเขาแล้วก็จะไปโทษมีดโทษมีดหรือโทษคน่อเห็นไหมสติปัญญาเป็นอย่างนี้สุดท้ายปลายทางเป้าหมายปลายทางของพวกเราที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันก็ให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น ฝากพวกเราท่านที่เรียกว่าเป็นคนก็นตามเป็นพระก็ตามเป็นคนวัดก็ตามคนอยู่ในวัดก็ตามถ้ายังไม่เข้าใจบุคลิกหน้าตาจีก็ก็จะเป็นอย่างนี้นจะไปโทษคนอื่นเหมือนที่เขากล่าวหาหลวงพ่อสีนวลว่าพูดไม่รู้เรื่องหลวงพ่อสีนวลดุดุันต้องใช้กับอะไรอ่ะปกติเราใช้กับอะไรดุเหมือนอะไร ดูเหมือนอะไรดูฮะเวลาดูเด็กเขาเรียกดูเหมือนอะไรดูเหมือนแมวแมน่ารักหน่อยอทาไมาบอกิพ่อสีนโน่เนี่ยดูเหมือนแมวนะคุน่ารักคุณน่ารักมากทำไมดูมันดใูให้ดี ดูให้ดีถ้าเราไปโอปะรยาโยโกรือน้อมงานตะวเองลองมาดูหพนะอกลับโอปะรยาโกรัเออเราเราไม่รู้เรื่องตรงไหนวะออฟังเป็นโคตรเลยแย่ยว่าเออโคตรไม่รู้เรื่องกับฟังไม่รู้เรื่องนะเขาเขาเข้าใจยังไงฟังไม่รู้เรื่องมากกว่าหรือฟังรู้เรื่องแล้วปฏิบัตนนี้คือพยาโอปะมังโอปะมายุ เ, มเมสมอ บอกว่าอาหารไม่อร่อยคุณยังไม่กินเลยรู้ได้ไงมไม่อร่อยคนนั่งมองแล้วรู้ได้ไมไหมอร่อยไม่อร่อยคุณยังไม่กินนะแล้วคุณไม่ถามต่อแล้วอาหารอร่อยเจ้ต้องทํำยังไงก็าหาทางออกให้เขาเดิยนยะทับทิมก็ถามเออแล้วอันนี้อาหารไม่อร่อยสับรก็ถามเ อ, อาหารอร่อยต้องทํำยังไงตอบได้ไหม มันต้องมีคําตอบมันแค่ ว, วิจารณ์ได้แต่วิจารแล้วนะต้องมีคําตอบเป็เขานะเอาวิจารณ์แต่วิจวอกันมันง่ายแค่น่าจะจวกกั น, น้วง่ายมันต้องมีเหตุมีผลแค่ชอบไม่ชอบก็แสดงออกอันนี้คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการปฏิบททัติธรรมนี่หัวใจของคนวัดคนข้าวัดต้องมีบุคลิกลักษณะ มีสติปัญญายอย่างนี้ทเราเข้าใจทั้งหมดทั้งวงทั้งหมดเลยเราไม่โทษปัจจัยภายนอกแล้วกว่าอะไรเกิดขึ้นที่เราเสพทั้งหลายเลยเราจะเข้าใจอย่างดีเออพระเนี่ยมันก็มีดีแล้วไม่ดีพระมาจากไหนาากนนะ็มาจากคนแนตะ่เออมาจากคนพอเป็นพระแล้วยากทาตัวเหมือนคนอยู่ก็เพราะมาจากคนไง ก็มาจากพวกเราลูกหลานกองผู้เรานีแ่แหละสุดท้ายก็เรียกว่าเอาปลาเหลืองมาโขมปฏิญาณต้นแต่ไม่ได้แปลวมันดีทันทคือดูดีทุกคนอันนี้คือความจริงเราก็ต้องยอมรับและความจริงเขาก็ต้องยอมรับการกระทําของเขาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวิจาหรือทางใจกฎหมายบ้านเมืองค่อยจัดการเองถ้ากฎหมายบ้านเมืองจัดการอะไรไม่ได้ กดทําอะไรไม่ได้กรรมมันจะทําหน้าที่เองเราไม่ต้องไปวุ่นวายถ้ากดทําหน้าที่ไม่ได้นะกรรมมันจะทําหน้าที่ของมันเองแค่นี้ทีนี้นเราจะยุ่งวุ่นวายกับกดโดยที่ไม่เ น, น้นคำนึงถึงกรรมกดกับกรรมเนี่ยเราควรคำนึงถึงอะไรมากกว่ากันก็ไปวุ่นวายลงกดทันะ้งวัน แม้แต่พระสงค์องค์ในเบื้องบนเบื้องล่างก็ยังกฎกติกาออกมาเยอะแยะมากมายทีต้องปฏิบัติพูดว่าเนี่ยเพราะอันนี้เราเพราะเราไม่คุยเรื่องกรรมกฎทุกอย่างกฎกติการะเบียบคําสั่งนี่เรียกว่ากฎแม้แต่กฎหมายอนี้เรียกว่ากฎแต่ตัวกรรมเนี่ยเราไม่พูดอ่ะกรรมมันก็มีกฎของมันแล้วมันก็ทําำก็มีมันตลอดอย่างซื่อสัตย์ และใครหนีไม่พ้นสิ่งนี้กฎหมาย ห, หนี้ได้นะอ้างได้แก้ตัวได้มีคนแก้ต่างให้ได้แต่กรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้ปัญหใครใหญ่ไปแก้กรรมให้หลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาหลวงนะาวัดนั้นวัดนูนไปแก้กรรมให้ยาไปทําไม่มีใครให้เราแก้เราได้ถ้เาเราไม่แก้ตัวเองแก้ตัวเราเอง ว่าอันนี้คือฝากทีนี้ก็ฝากพวกเราโอเคเราเออเขาว่าเราก็สิ น, นีนวลพูดไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องตรงไหนวะว่าสรีนวลนี่ตุกินคนกี่คนเข้าไปแล้ววะว่าสิีนวลน่ะแล้วท่าที่ใจดีเป็นยังไงอ่ะที่ใจดีทุกวันเป็นยงไงหายทอกไหม ตักห้ไหมเออ ต, นะเอตักไห้แล้วก็เรีตักไห้ทั้งเหนือเรียกตักไห้เห็นไหมล้าก็ไม่จาเหมือนกันนะชอบปากหวานเออเราไม่ต้ อ, ออนน้าตาลมาถวายเรานะไม่ใช่ปากหวานเออไม่ไ้ออมาถวายมันจะปากไม่หวานมันก็นจะกลายเป็นพระ ป, ปากหวานเนี่ยยุ่งเลยกันนะถวายของหวานนะพระ ป, ปากหวานเนี่ยยุ่งเลยกัยนนะม เออครับก็เลือกเขาครับฝาก เ, เราทุกคนเพื่อโอปะนักี่ปูเพื่อฝนให้มันมีดเรื่มเนี้ยขวานอย่างนี้ยให้มันค ม, มนัคก็มันก็ได้แสันขวานเนาะอย่าเป็นคนสันขวานเนะเออมันต้องฝนตัวเองแล้วฝนตัวเองไม่พอ ม, มันจะอย่าแนะกวู่อาจารย์กะช่วยเพราะฝนมันต้องพังนี้ฝึกเล้วกฝึกฝนตนเอง พัฒนาตัเองอยู่เสมอสมมติวันเกิที่เราทํานั่นนี่ก็ถือว่าเออเราถูกที่ถูกทางข่าวัดฟังธคำจําสินภาวนาอจุลศิลก็ศิลน้อยบอกก็คือหมายถึงศิลห้าอันนั้นแหละเป็นพื้นฐานจุลศิลมัชจิมะศิลก็ศิลอย่างกลางคือให้มันสูงขึ้นกว่าอื่นศิลแปดมหาศิลก็คือศิลผู้ปฏิบัติธรรมพุทธษุณีหรือผู้ปฏิบัติธรรมแต่ที่สำคันก็คือ สิ่ที่ไม่มีอยู่ในตาราเอันนี้ก็คือรักษากายวาจารกันจบแล้วก็ต้องไปพูดถึงกายวาจาเป็นทั้งจุลสินมัทสมะแล้วก็มหาสินในตัวมันของเองไม่นีมากข้อเลยใช่ไหยนะในภาษาการเนี่ยก็ระวังระวังกายกับวาจาเนี่ยก็เป็นสิลงตันทีแล้วตอนนี้ตอ น, นใครมาทีหลัง ถึงไม้อธิษฐานหรือไม่อธิษฐานตั้งใจมา้กมันเป็นศีลแล้วตอนนี้ในทางปฏิบัตินะไม่เกี่ยวกับป ร, ริยัตมันต้องแยกออก่ดนป ร, ริยัตแล้วก็ทำให้เป็นพิธีกรรมจนกลายเป็นพิธีเกินค<ม>ือรับไปก็รับไปอย่างนั้นแหละดีวยความไม่เข้าใจเพราะนั้นฝากอีกครั้งหนึ่งว่าพูดให้จำทำให้ดูเอาไปจับมั่งทำให้ดูดูมั่งว่าทำอะไร ทั้งทั้งกายทั้งทางวาจาูกทั้งใจไม่ต้องพูดถึงเนะี่ยถ้าเราดูอย่างนี้มันก็มันน่าจะเป็นเรื่องอยากไปวัดไหนก็ามานนังอยากดูเนะ้ไม่ได้ดูเอาผิดทำดูของดีของไม่ดีไม่ต้องไปดูเพราะมันของนอกของเสียไปที่ไหนก็ทุกคนไม่ว่าพระหรือว่าคนเหมือนกันหมดคือมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราดูของไม่ดีมากกว่า มาถึงที่เป็นอย่างนี้ของดีที่มีอยู่เหมือนเราเพื่อนเพื่อนเราเวลาไม่พอใจเนี่ยเออทำไมเออความดีเขาก็มีอยู่นะบุณพระที่ไม่ดีทั้งหลายเลเนบวชพระหกสิบา 60, อายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าปีสี่สิบห้าสิบพรรษาเราอาจจะเสียแค่สิบกว่าปีนะแล้วอีกสาสิบกว่าปีท่านก็ดีอยู่นะแล้วความดีตั้งสามสิบกว่าปีมองไม่เห็นเลยเลย และที่สำคัญสรุปว่าความดีความไม่ดีก็ตามเป็นของเราไหมมีผลต่อเราไหมไม่เกี่ยวกันเลยถ้าถามว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะอานนิพระไม่ได้พูดนะภาษาชาวบ้านเขาบอกถ้ามึงไปยุ่งกับเขาทําไมอันนี้บอกตัวเองนะมานิพราว่านเนาะไม่ใช่บอกหงพราศรีนว น, นบอกว่าถ้ามึงไปยุ่งกับเขาทําไมเอาอีกแล้วหลวพ่อศรีนวน เพราะจิตโดดบอกว่าแล้วมึงไปยุ่ ง, งเขาทําไมเอาเลยเนะขาว่าว่าเออแค่แน่แล้วก็โอ้นี่ยถือว่าเป็นธรรมะชั้นยอดอะในแต่ละวันนะถ้าเราคิดได้อย่างนี้หรือปฏิบัติได้อย่างในแต่ละวันเนี่ยเราจะเข้าใจคนกับพระอย่างดีที่สุดเลือกเอาจะเลือกเอาเป็นคนหรือเป็นพระพระก็ตามถ้าจะเลือกเอาเป็นคนก็ทําเหมือนคนเขาแนะ่ะ พวกเราไม่ได้เป็นพระเราเป็นคนน่ะแต่จิตใจเันเป็นพระก็ทำให้เป็นพระเราก็เป็นพระไางเราทุกคนอย่าไปคิดว่าโอ้ข้าเป็นผู้หญิ ง, งวันนี้เออชาตนี้บวชไม่ได้ไม่ใช่นะปะกดตัวเองลงเราปิดโอกาสตัวเองเป็นด้าพระเป็นที่ใจไม่ใช่เป็นที่ผ้าเหลืองนี่มันสมมตุติถ้าเราเข้าใจงี้เออมาลง โลกจริงๆหมายความมก็กดเ็ดันตัวเองโอ้ชาตินี้เราเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรสารพัดเป็นเราจะบอกโอ้เป็นพระไม่ได้มันไม่ใช่นะจะไปเป็นโอกาสตัวเองจะไปกั้นตัวเองมันจะไม่มีการพัฒนาหรือไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระมันก็ด้เป็นอย่างนี้เพรานั่นเราเลือกเองมันจะเป็นอะไรเป็นได้หมดก็ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนที่ตั้งใจฟังวันนี้ ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังการพูดตนาีๆต่างคือพูดให้ฟังฟังเฉยฟังแล้วก็แล้วมันไปเอาหัวใยออกกว่าพูดให้จำมันต้องจำได้ๆอยะมันก็จะพูดให้ทำยากที่สุดคือพูดให้ทาเป็นเึง่งยากแต่พูดให้ฟังก็คือเยอะๆพูดให้จำ ําได้นิดหน่อยก็ยังดีพูดให้ทนะํานี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทําในสิ่งที่มันยากอั น, นี้พูดให้ฟังมันเยอะแล้วมันธรรมดาปุ๊บปื๊ดให้พูดให้จำํำ เ, เราจํำความจํากัดขอบจําเราก็มันก็จํากัดแต่ถ้าพูดให้ทนะํานี่ยไม่กี่เรื่องไม่กี่อย่างลงประสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจะได้ประโยชน์อย่างมากๆเลย ก็เลือกเอาเลือกเอาแบบฟังหรือจะเอาแบบจำคือสัญญานะ่ยแต่เลือกเอาทำมันเกิดปัญญาเนาะมันไม่เกิดสัญญามันเป็นปัญญาเนาะจะอยู่กับสัญญาหรืออยู่กับปัญญานะในแต่ละวันกนะ็เลือกได้ขอธรรมุสนาขอดูอีกครั้งดู เราท่้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจเข้าวัดฟังธรรมจำเส้นกำนาตลอดภาษาการนี้ก็ข อ, ขออนิสง์ความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญทุกครั้งหรือวันนี้เป็นต้นจงมีผลถึงแก่ผู้มีพระคุณทั้งหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอท่านหลานนั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ พวกเราทั้งหลายได้กระทําบันเท็นในวันนี้เขาขออนุโมทนา